ดูก่อนเครือหาบดีก็มูนีเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปนี่อย่างไรดูก่อนเครือหาบดีความพอใจความกำนัดความเพลดิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใดในรูปธปาตุความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นอันพระตถาคตทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นดังตายอดด้วนทรงกระทําให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปพระพุทธเจ้านี่เวลาพระองค์ไปไหนนะพระองค์นี้เป็นสุขโตพระองค์ไปโดยที่ไม่มีฉันทราคะในในรู ป, ปรขันเลยแม้แต่นิดเดียวเนีนย่ยนะ ดูก่อนเครื่อหาบดีความพอใจความกำนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใดในเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุและในวิญญาณธาตุนะความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นอันพระตถ า, าคตทรงละเสียแล้วทรงตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นดังตามยอดด้วนทรงกระทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระตถ า, าคตบัณฑิตจึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปดูก่อนเครื่อหาบดีมุนีเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปอย่างนี้แหละมันคนที่ไม่มีที่ที่อยู่นะคนไม่มีที่อยู่ไปเนี่ยนะปกติขาโลกบอกแม้พวกนี้อนาถาน่าดูเลยนะที่อยู่ยังไม่มีเลยนะของพองศ์บอกว่าพงศไม่มีที่อยู่แล้วนะคือไม่มีฉันทราค่าในขันห้าที่เป็นที่อยู่แล้วตอนแรกนี้ยกวิญญาณทิติสใช่ไหมวิญญาณ เน้นกรร ม, มวิญญาณกรร ม, มวิญญาณที่เป็นไปกับโลภะแปล ว, ว่ากรร ม, มวิญญาณเนี่ยมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์ผู้ที่มีโลภะโดยที่มีอารมณ์ทั้งสี่เที่ยวไปเนี่ยเระเรียกว่าคนมีที่อยู่เที่ยวไปเห็นไหพอพระพุทธเจ้าพวกในตอนวิวัตตนะในสิ่งที่ตร ง, งันข้ามอะ พระพุทธเจ้ากําจัดฉันทราคะในขันห้าเที่ยวไปเนี่ยนะตอนแรกทําไมพูดแค่สี่รูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมวิญญาณเนี่ยตั้งอยู่ในในขันสี่ที่เหลือเรียกว่าวิญญาณทิติพอพอในแง่วิวัตต์เนี่ยคือการตัดฉันทราคะในทำไมต้องยกทั้งห้าขันทําไมไม่ยกแค่สี่ขัน <c oughs> เพราะกิเลสเนี่ยนะถ้าไปเหลือไว้วิญญาณขันก็ก็แทบไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ละอะไรนะถ้าเว้นไว้นะ เพราะฉะนั้นวิธีถ้าละกิเลสต้องละทุกข์ขันเนีย่ยนะโดยที่สุดนะใครเคยพิจารณาเจริญกุศลบ้างคือพิจารณารูปนะว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยปัญญานะไหมบ่อยปัญญานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอา ก, กพิจารณาปัญญาที่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะซ้อนสักสิบครั้งเนี่ยนะลองไปเจริญดูนะจะเป็นยังไงเนี่ยนะคือไม่ติดแม้กระทั่งไอ้ตัวที่เข้าไปพิจารณานะ ทุกวันนี้ถ้าใครทําก mm ุศลนี่ก็นับว่าแหมดีมากแล้วนะที่จริงแล้วกุศลก็ยังพิจารณากุศลอนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาต่อไปอีกนี่นะก็ละให้หมดเลยไหนๆก็จะละแล้วก็ละให้มันหมดนี่นะถ้าเบื่อแล้วก็เบื่อความเบื่อนั้นด้วยนะต้องไม่ลืมเบื่อให้มันหมดเลยเบื่อสังขารทุกชนิดเลยนะมันจริงกับพ้นทุกได้ถ้าเบื่อเป็นบางอย่างไม่พ้นหรอกเบื่อความคิดนี่ถ้าไอ้ความคิดสนุกๆมันก็ม่เบื่อ ตอนที่เครียดนี่เบื่อคว้มเบื่อนี้เเรียกนิพพิธาใช่ไหมครับก็ใครเบรื่อนะต้องต้องว่าพูดถึงที่บุคคลก่อนคุณมันมีถามว่าใครเบรื่อนี่เป็นนิพพิทาใช่ไหมต้องรู้ว่าใครเบรื่อนยถ้าอยู่ที่บ้านอาหารไม่อร่อยแล้วเบื่ออย่างเงีแน่ไม่ใช่นิพพิทานิโทสะ แ, แต่ผู้ที่พิจารณาขันท่ารู้เหตุเกิดและความดับปฏิบัติเพื่อกําจัดฉันทราคะอันนี้เป็นนิพพิทา อันดับที่ที่พักคือขันห้าดูก่อนขึ้นหาบดีก็มุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปอย่างไรขอไปนะที่อยู่นี่คือขันห้าต่อไปที่พักบ้งคือในพุทธพจน์ว่ามุนีละที่อยู่อันนี้ข้อประเด็นแรกใช่ไหมประเด็นที่สองไม่มีที่พักอะนดับที่อยู่กับที่พักนี่โกลาหนกันคําว่าที่อยู่ที่กล่าวไปเมื่อกี้หมายถึงขันห้า พอที่พักคืออารมณ์หกว่าดูก่อนเครือหาบดีมุนีกล่าวว่าเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปเพราะสร้างไปและพัวพันในรูปอันเป็นนิมิตและเป็นที่พักเนีย่ยนะือสร้างด้วยอำนาจกิเลส่ะนะสร้างไปในรูปอะ่ะดูก่อนเครือหาบดีมุนีท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปเพราะสร้างไปและพัวพันในเสียงในกลิ่นในรสในธรรมารมณ์ อันเป็นนิมิตและที่พักดูก่อนเครื่องหาบดีมุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปอย่างนี้แหละไก็คือแม่พักไปทุกอะจริงๆรินั้นเป็นที่พักจริงๆนะเราพักรูปประธาดรูปประคันเนี่ยเราจะพักตามตามที่พักต่างๆคือที่พักคืออะไรศาลาบ้างโรงแรมบ้างที่พักต่างๆที่เราไปพักพักอะนะอันนั้นที่พักของรูปแต่ที่พักของตันหานะเนี่ยอย่างเช่นจักรครู นะทะวารตามองเห็นใครนะแล้วชอบอะ่ะนั่นแหละพักแล้วอนะฟังเสียงแล้วชอบในเสียงนะั่น่ะพักแล้วนะแสดงว่าไม่ได้รีบอะไรเลยนะก็พักไปตลอดเลยเรียกว่าพักกับทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะี่นะไม่สวยงามก็พักนานหน่อยพักนานหน่อยนะตรงไหนไม่ค่อยงามก็ทำยังไงจะได้ไปผลทันที แต่ก็คือหาที่พักอันใหม่นะเหมือนกับว่าเอไปนั่งร่มนี้แล้วมันมดแดงมันเยอะนะก็เปลี่ยนร่มใหม่เนี่ยนะก็ไม่ได้คิดว่าจะเมื่อไหร่จะเลิกต้องไม่ต้องพักเท่างทีไม่ต้องะแค่เปลี่ยนก็เราฉลาดซะอย่างใช่ไหมเราก็ไปร่มไม้ไหนมันมีมดแดงเราก็เปลี่ยนซะเนี่ยนั่งใกล้คนไหนมันพูดมากเราก็เปลี่ยนไหมหาคนที่พูดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้นะหาที่พักใหม่ไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่คําว่าตัวที่พักจริงๆก็คือ กิเลสอ่ะนะที่สร้านไปแล้วก็พัวพันในในอารมณ์ทั้ง6ใครที่มีกิเลสร้างไปแล้วก็ผัวพันในอารมณ์ทั้งหกก็เรียกว่าเป็นคนมีที่พักแล้วก็เที่ยวไปนี่ยนะหรือต่พูดอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าสแสวงหาที่พักไปเรื่อยๆเนี่ยนะดูก่อนเครือาบดีก็มุนีเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปอย่างไรดูก่อนเครือขาบดีกิเลสเป็นเหตุสร้างไปและผัวพันในรูป อันเป็นนิมิตและที่พักอันพระตถ า, าคตทรงละเสียแล้วตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นดังตามยอดด้วนทรงกระทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระตถ า, าคตบัณฑิตจึงกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปนั่นคือตัดฉันทราคาในรูปได้หมดแล้วเพราะความตัดฉั้นทราคาในรูปนี่แหละที่เรียกว่าไม่มีที่พักเที่ยวไปเรานิคิดบ่อยๆว่าตัดฉั้นทราคา ถ้าใช้คําว่าถ้าตัดไม้ตัดหญ้าทั้งหลายมันก็มีเครื่องตัดใช่ไหมถ้าตัดไม้ก็อาศัยเรื่อยตัดหญ้าก็อาศัยเครื่องตัดหญ้าถ้าตัดชันนราคานี่ควรอาศัยอะไรก็ควรคิดถึงอริยมรรคไว้นะมาละกิเลสเฉยๆแล้วไม่คิดถึงมรรคนะแสดงว่าเป็นคนที่อยากจะดับไฟโดยที่ไม่มีน้ําอะไรเลยนะนี่ก็เหมือนกันเวลาใช้คําว่าตัดชันนราคาในขันห้าก็ต้องนึกถึงอริยมรรคนะเป็นตัวตัด กิเลสที่เป็นเหตุให้พัวพันในเสียงกลิ่นรสโผทะพะในธรรมรมอันเป็นนิมิตและที่พักอันพระตถาคตทรงละเสียแล้วทรงตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นดังตาญอดด้วนทรงกระทําให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระตถาคตบัณฑิต จ, จึงกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปดูก่อนเครืหาบดีมุนีเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปอย่างนี่แหลนะของเราพักทัวไปหมดเลยนะ แต่ของพระ อ, องค์ไม่ไม่พักแม้แต่ในอารมณ์เดียวเนี่ยนไม่พักด้วยอำนาจฉันทราคะในทุกอารมณ์เลยน่าคิดว่าตอนแรกใช้คำว่าที่อยู่ตอนที่สองคือที่พักที่อยู่เนี่ยหมายถึงขันห้าใช่ไหมที่พักหมายถึงอารมณ์หกอัตรกาถาท่านเปรียบเทียบว่าขันห้าที่เรียกว่าที่อยู่เนี่ยนะเหมือนฉันอ่ฉันทราคะที่มีในขันห้า ที่เรียกว่าที่พักเหมือนกับคนติดข้องในบ้านนนะติดข้องในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาอะไรทั้งหลายแหละที่วนๆอยู่ในบริเวณบ้านทั้งหมดอ่นนะอันการติดข้องในขันห้าเหมือนกับคนที่ติดข้องในบ้านส่วนที่พักเนี่ยนะเที่ยวพักเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับที่นากับที่สวนที่ทำงานอน่ยนะ ก, ก็ชมไปด้วยแต่ว่าไม่ติดเหมือนกันแต่ติดไม่มากอ่นะ ก็อย่างที่กล่าวว่ารักอุปาทานขันห้าภายในหรือภายนอกมากกว่ากันเนี่ยนะ<อ>ก็รักภายในนั่นแหละชอบของนอกบ้านด้วยเนี่ยนะคือที่พักก็มีขันห้าเอคือที่อยู่คือขันห้าใช่ไห ม, มก็เที่ยวพักไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าฉันธราคะที่มีในขันห้ามากเหมือนกับฉันทราคะในบ้านในเรือน ฉันทราคาในอารมณ์หกทั่วๆไปเหมือนฉันทราคะในที่สวนที่ไร่ที่นาที่สวนทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่ชอบไม่มากเท่าเท่าขันห้าจริงๆมีสิ่งทั้งหลายภายนอกทั้งหมดก็เพื่อมาบำรุงไอขันห้านี้นี่แหละเนี่ยนะเพราะถ้าถ้าไม่ต้องการเพื่อบำรุงขันห้านนี้นะไม่รู้จะมีไปทําอะไรใช่ไหมอย่างมีรถเนี่ยถ้าไม่ให้ขันห้านนี้มันไปสะดวกไม่รู้จะเอามาทําไมใช่ไหมถือว่าเป็นภาระซะด้วยเนี่ยนะ มันก็ติดในขันท่าก็เลยหาที่พักไปเรื่อยนี่ยนะคิด <c oughs> ว่าขนหาขนเอาที่อยู่ไปหาที่พัก <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยนะที น, นี้ต่อไปก็เน้นมหาพราพะภิกษุแล้วว่ามุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านกับไม่สนิทสนมในบ้านเป็นยังไงว่ะดูก่อนเครือหาบดีก็มุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านเป็นอย่างไรดูก่อนเครือหาบดีมุนีบางคนในโลกนี้ เป็นผู้คลุกคลีกับพวกเครือัดอยู่คือเป็นผู้พลอยชื่นชมไปกับเขาพลอยโศกไปกับเขาเมื่อครือขัดมีสุขก็สุขด้วยมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกครือขัดมีกรณียกิจที่ควรทําเกิดขึ้นก็ควรควายในกรณียกิจเหล่านั้นด้วยตนเองดูก่อนเครือขัดบดีมุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างนี้แหลเนี่ยนะไปร่วมหัวคลุกคลีตีโมงกับเครือขัดทุกเรื่องเลยนะ เขามีความสุขเนี่ยนะก็สุขไปกับเขาถ้าจะมาหากินเจริญรุ่งเรืองกับแม่ดีใจกับเขาเขาเสียขายขาดทุนก็ไปร้องให้กับเขาอ่ะนะมันร่วมสุขร่วมทุกมีงานอะไรช่วยได้ช่วยหมดเลยะนะลักษณะนี้ซึ่งสมัยนี้ก็เกลื่อนดูคล้ายๆดีนะนะก็คารว่าเขาก็ชอบอยู่แล้วะนะแต่จริงๆแล้วอ่ะนะคือการทําลายเขาานะีพระพิสูจน์ที่ไปทําอย่างนั้นเนี่ยถ้ามองผลประโยชน์แบบ ง่ายๆเนี่ยดูเหมือนว่าเหมือนว่าดีแต่จริงๆแล้วคือการเข้าไปทําลายคารวานันถามว่าทําลายยังไงคือแทนที่เขาจะได้มาคิดถึงพระรัตนตรัยใช่ไหมพระพูทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มาพัวพันกับคนเลวสักคนหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมคือเขาควรจะคิดถึงพระพุทธเจ้านะเป็นอาราเป็นผ้าอารหรันเป็นต้นคําสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีเหลือเกินพระสงฆ์ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ย สงบประงับดับทุกได้จริงอย่างนั้นนะควรที่จะคิดถึงพระรัตนตรัยก็ไปคิดถึงคนที่ประจบตัวเองเท่านั้นเองนะพอคิดถึงพระรัตนตรัยคิดถึงสองั๊บก็คิดถึงไอ้คนที่มาช่วยเหลือเราตลอดเลยนะนั่นก็คารวะคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเหมอือนกันมีพระคอยบริการเนียนะดูก่อนเครือา บ, บดีก็มูนีไม่เป็นผู้สนิทสนมในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนเครือขาบดีที่สูในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้คลุกคลีกับพวกเครือขั คือไม่พลอยชื่นชมกับเขาไม่พลอยเศร้าโศกกับเขาเมื่อพวกครหัดมีสุขก็ไม่สุขด้วยมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยเมื่อครหัดมีกรณีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ไม่ขวนขวายในกรณีกิจเหล่านั้นด้วยตนเองดูก่อนครหายบดีมุนีไม่เป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างนี้แลนะคือคารวะก็เรื่องของคารวานะการมมัพโคีบุคคลเขาก็หมกมุ่นในการก็สแสวงหากรมไปของเรานีแสวงหา ไตรสิกขาหรือการบําเพ็ญไตรสิกขาก็เจริญไตรสิกขาไปมันก็คนละกิจคนละแผนกกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปก้าวกายอะไรกันเนี่ยมุนีควรเป็นอย่างนั้นแต่นี้ไม่ถ้าเขาถูกหวยก็เย้ไปกับเขาทีนี้มุนีเป็นผู้ไม่ว่างจากกรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือก็ต่อไปบอกว่ามุนีเป็นผู้ว่างจากกรรมทั้งหลายเนี่ยคือดูก่อนเครื่องหาบดีมุนีบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ปราดความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความกวนกวายความทะเยอทยานอยากในกามทั้งหลายดูก่อนเครือข่าบาดีมุนีเป็นผู้ไม่ว่างจากกามทั้งหลายอย่างนี้แหละคือไม่ว่างจากกิเลสกามในวัตถุกามเลยเนี่ยนะกิเลสกามโดยเน้นอแะบบกามเนี่ยกามเนี่ยเกิดจากอะไรกามทั้งหลายเกิดจากความดําริหรือเกิดจากวิตกกันนะก็คือเป็นคนที่วิตก กามวิตกในวัตถุกรรมกิเลสกรรมวิตกตรึกถึงวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะอันอนี้เรียกว่าคนไม่ว่างจากกรรมเลยนะขี้หากรรมไปเรื่อยคําว่ากามเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กําหนัดให้ติดให้คล้องเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเพลิดเพลินในในสิ่งนั้นเรียกว่าคนไม่ว่างจากกรรมเนี่ยนะ ไม่ว่างจากสมมติทั่วไปก็คือไม่ว่างจากการรับโทรศัพท์เลยนะโอ้รับขนานั้นน ะ, นะ <c oughs> ดูก่อนเครือขาบดีก็มุนีเป็นผู้ว่างจากการมทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนเครือขาบดีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความกังวลกวายความทยานอยากในการมทั้งหลายดูก่อนเครือขาบดีมุนีเป็นผู้ว่างจากการมทั้งหลายอย่างนี้แหอะ น, นะก็คือ วางจากกิเลสกรรมเพราะไม่ครุ่นคิดถึงวัตถุกรรมต่อไปหัวข้อหนึ่งบอกว่าไม่มุ่งถึงกาลข้างหน้าถ้าคนที่คิดถึงการข้างหน้าเป็นยังไงคือคนที่คิดการไกลทั้งหลายแหละนะคิดการไกลาวางแผนหน้าดูเลยนะของเราในนี้ก็มีไม่น้อยท่านเลยนะคิดการไกลามาก ดูก่อนครหา บ, บดีก็มุนีเป็นผู้มุ่งถึงการข้างหน้าอย่างไรดูก่อนเครือขาบดีมุนีบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในการข้างหน้าขอเราพึงเป็นผู้มีรูปอย่างนี้เนี่ยนะต้องการอารมูปยางไงดีสูงต่ำดําเขาเขียวเหลืองกว่าไปเนี่ยนะก็ต้องการรูปนั่นเองสองต้องการเวทนามีเวทนาเขาให้มีสุขเวทนาเช่นนั้นเช่นนั้นโสมนัติเวทนาอย่างนี้อย่างนี้ น, นะหรือมีสัญญาอย่างนั้นมีสัญญาในนีแสัญญาเป็นตัว สัญญาในสีเขาสีเขียวเป็นต้นนะนะหรือมีสังขารอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นมีวิญญาณอย่างนี้ดูก่อนเครือาบดีมุนีเป็นผู้มุ่งถึงการข้างหน้าอย่างนี้แหลก็พูดแบบภาษาเราเลยว่าชาติหน้าอยากเกิดเป็นอะไรอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าคนมุ่งการข้างหน้าของเราเนี่ยนะึคิดว่าทิ้งสิริระอันนี้เป็นสิริระอันสุดท้ายไม่ถือเอาอันใหม่แล้วนะพูดอย่างนี้ตามผ้าหานไม่ได้ใช่ไหมก็มุ่งการข้างหน้าไปเรื่อย แต่ว่าจะมุ่งแล้วมันจะสมควรตามที่มุง่งก็คือตันหาอย่างเดียวอ่ะไม่พอใช่ั้ยอยากอย่างเดียวไม่พ อ, อคือในบรรดาที่บรรดาเหตุที่ทำให้เกิดอุปาทานขันห้าก็มีทั้งวิชากรราแล้วก็อาหารเพราะตันหาอย่างเดียวไม่พอนะต้องไปสแสวงหากรำรด้วยอะไรด้วยจึงจะคู่ควรต่อการมีขันห้าที่ที่ต้องการในอนาคตต่อไป ดูก่อนครืหาบดีก็มุนีเป็นผู้ไม่มุ่งถึงการข้างหน้าอย่างไร <c oughs> ดูก่อนครือหาบดีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในการข้างหน้าขอเราพึงเป็นผู้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้ดูก่อนครืหาบดีมุนีเป็นผู้ไม่มุ่งถึงการข้างหน้าอย่างนี้แหละที่ไม่มุ่งถึงการข้างหน้าเพราะอะไรอนะขันทุกวันนี้มันก็ก็ชาติชราพลายาที่มรณะอยู่แล้วอ่ะ ถ้ามีขันห้าอันหน้าอีกก็ไปหาชาติชราพยาที่มรณะอยู่อีกกันนะก็ทิ้งความตายอันนี้ก็ไปเอาความตายอันใหม่อ่ะนะทิ้งโรคอันนี้ก็ถือเอาโรคอันใหม่ก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นไม่น่ามุ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่มุ่งอุปาทานขันห้าอันใหม่อยู่แล้วดู <c oughs> ก, ก่อนขึนหาบาดีก็มุนีเป็นผู้ทําถ้อยคําแก่งแย่งกับชนอื่นนี่เป็นยังไงแปลว่าไปเที่ยวทะเลาะ ก, กับคนทั่วไปหมดเลยนะเขาเป็นยังไงคนนี้ ดูก่อนเครือหาบดีมุนีบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทําถ้อยคําเห็นป่านนี้ว่าท่านน่ะไม่รู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้ท่านไม่รู้เรื่องเลยผมเนี่ยรู้อยู่คนเดียวนะฉะนั้น <c oughs> นะท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ท่านน่ะเป็นผู้ปฏิบัติผิดเราอ่ะเป็นผู้ปฏิบัติชอบอนะคำที่ควรกล่าวก่อนท่านก็กล่าวทีหลังคําที่ควรกล่าวทีหลังท่านก็กล่าวก่อน คำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์ข้อที่ท่านเคยประพฤติมาเนี่ยผิดเสียแล้วเรายกวาทะคือยกที่ตีแก่ท่านแล้วท่านจงประพฤติเพื่อเปลื้องวาทะเสียท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้วหรือจงปลดเปลื้องเสียเองถ้าท่านสามารถดูก่อนข้าหาบาดีมูนีเป็นผู้ทาถ้อยคําแก่งแ ก, งกับชนอื่นอย่างนี้แหล <c oughs> เป็นอย่างนั้น คือมีนะพระภิกษุบางรูปเนี่ยจากอารามสู่อารามเพื่อจะไปทะเลาะทะเลาะ ก, กับเขาว่าแกเนี่ยทิฏฐิอันนี้ที่ปฏิบัติมันไม่ถูกรอกกันนะจากวัดเนี่ยเขาก็ไล่นี้อะกไปวัดใหม่ไปเที่ยวหาที่ทะเลาะอย่างเนี้ไปเรื่อยนะมีโลกนี้อย่างนี้ก็มีให้ไว้เถอะดูกังนขึนหาบดีก็มุนีไม่เป็นผู้ทําคําแก่งแย่งกับชนอื่นเนี่ยอย่างไร ดูก่อนเครือขาบดีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ไม่ทําถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าคือไม่เข้าไปพูดนะนะไม่เข้าไปตะลอกกับใครว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ฉนัยท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิดเราเป็นผู้ปฏิบัติชอบคาที่ควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคาที่ควรกล่าวทีหลังท่านกล่าวก่อน คำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์ข้อที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยผิดเสียแล้ว เ, เรายกวาท่าแก่ท่านแล้วท่านจงประพฤติเพื่อเปลื้องวาท่าเสียถ้าท่านเป็นท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้วหรือจงปลดเปลื้องเสียเองถ้าท่านสามารถก็ไม่เข้าไปทะเลาะไม่เข้าไปโต้แย้งกับใครเนี่ยนะดูก่อนเครืหา บ, บดีมุนีไม่เป็นผู้ทําถ้อยคําแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างนี้แลเนี่ยนะ ดูก่อนครือหาบดีพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในมาคันธิยะปัญหาอันมีในอัตถะวักว่ามุนีละที่อยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าละฉันทราคะในขันห้าได้หมดแล้วไม่มีที่พักคือไม่มีกิเลส ท, ทั้งในอารมณ์6เนี่ยนะละกิเลสในอารมณ์หหมดแล้วไม่ทำความสนิทสนมในบ้านคือไม่ได้ไปทุกโศกอะไรกับคารวะเป็นผู้ว่างจาก ทั้งหลายคือไม่มีกิเลสกรรมในวัตถุกรรมเลยไม่มุ่งถึงกาลข้างหน้าคือไม่ได้สร้างความหวังว่าขันห้าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ทำถ้อยคำแก่งแย่งกับชนอื่นเนี่ยนะอันนี้เป็นหลักการของของาศาสนาเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดนะใช้ชีวิตแบบนี้ <c oughs> ดูก่อครหาบดีเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อนี้แหลพึ่งเห็นโดยพิสดารอย่างนี้ด้วยประการชน น, ะนะี้น่ะก็เครหาบดีสมัยก่อนเขา้าทรงพุทธพจน์นะเขาจำพุทธพจน์ได้เครหาบดีบางท่านไม่ทรงพระต่ายพิดกเลย น, ะนะี่นะอย่จิตตครืหาบดีน่นนะใครพูดปัญหาธรรมะปั๊บเนี่ยแกคิดปั๊บแกรู้เลยว่ามีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ น, นะ จิตดาครหาบดีนี่เก่งมากวัดที่แกอุปถักต์อยู่ไม่ค่อยมีพระอยู่หรอกเพราะว่าไปเที่ยวสามท่านมากะนะท่านมันก็อยู่อยู่แล้ว<_><_<_>อีกสูตรหนึ่งนะฮลิทธิกาณิสูตรเนี่ยก็เหมือนกันคือครหาบดีคนนี้ก็เข้าไปเฝ้า เ, เข้าไปหาท่านพระมหากาจัจจายนะถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ถามท่านพระมหาการยานะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสภาสิตนี้ในสักกะปัญหาอันนะใ น, นก็สรงพระไตรปิดกเหมือ น, นกันนะเครือข บ, บดีคนเนี้นะรู้ว่าสักกะปัญหาสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสว่ายังไงว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สําเร็จล่วงส่วนเป็นผู้มีความกรเกษมจากโยคะล่วงส่วนเป็นพรหมจรีบุคคลล่วงส่วน มีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้เจริญเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยโดย่อนี้จะพึงเห็นได้โดยพิสารอย่างไรเนี่ยนะคือยกพระสูตรไปถามเลยนะก็ข้อสุดท้ายใช่ไหมว่าสมณะพรามทั้งหมดนะ น, นะที่ที่ ท, ท้าวสากาถามอนนะคือมีความหลุดพ้นหรือว่าสิน้นพ้นล่วงส่วนสิน้นทุกสิ้นอะไรเลยหมดไหมอย่างงี้นะ หรือแปลว่าบรรลุทุกคนไหมอ่พะพระพระพระหรือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระมหากจรยจรนะตอบว่าความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใดในรูปธปาตุจิตของท่านกล่าวว่าพ้นดีแล้วคือไม่มีจิตเนี่ย้องอยู่ในรูปธาตุเลยความสิ้นเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะ ความสละเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะจิตของท่านเนี่ยไม่มีฉันทราคาในรู ป, ปรธาตุแต่แต่คำถามที่ว่าความหลุดพ้นเนี่ยนะเพราะสิ้นไปแห่งตันหาที่ที่มาจากคำว่าตันหาสังขยวิมุตติเนี่ยนะตันหาสังขยวิมุตติคือการหลุดพ้นจากตันหาในตรงนี้เนี่ยหมายถึง พละววิมุตตเนี่ยนะอันนี้คือคําคําพระพุทธพจน์อันนี้หมายถึง อ, อริยผลวิมุตตเนี่ยนะถ้าเอาสูงสุดก็ต้องเป็นอรหั ต, ตผลวิมุตตนีนะก็คือเข้าอรหัตผลสมาบัตินั่นแหละเพราะอะไรเพราะในอรหัตผลสมาบัตินี่นะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้มีขันเป็นอารมณ์แม้แต่ขันเดียวเพราะฉะนั้น พระมหากจรยนะจึงตอบว่าดูก่อนคึ้หาบดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความเข้าถึงความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใดในเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุและในวิญญาธาตุจิตท่านกล่าวว่าพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความสละคืนเพราะความ เพราะความสละเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นดูก่อนเครือข่าบดีภาษิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในสักระปัญหาว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สําเร็จล่วงส่วนมีความกเกษมจากโยคะล่วงส่วนเป็นพรหมจรรยบุคคลล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดันงนี้ดูก่อนคือหาบดีเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อหนี้แลพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างนี้ด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อธิกถามที่บายว่าบทว่าตันหาสังทย ว, วิมุตตาได้แก่น้อมไปในพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาด้วยผลวีมุติซึ่งมีพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นหมายถึงการเข้าพร ะ, ะสมบัติของพระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะนะ ว่าผู้ที่สำเร็จล่วงส่วนเป็นพรหมจรีล่วงส่วนที่ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์คือตอนไหนตอนที่ผาราอาหารเข้าพระสมาบัตน่นนะอันนั่นแหละถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วว่างั้น <c oughs> เพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีความจิตเนี่ยไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์แม่แต่ขันเดียวเลยในขณะที่เข้าพระสมาบัตนะก็ต้อง ผู ples, defender, ้ที่เจริญท่าอริยนะท่าเจริญวิปัสนาล้วนๆเข้าพระสมมาบัติเนี่ยนะที่ท่านจะเข้าต่อไปคือพระสมมาบัติถ้าท่านเจริญแต่สมถะอย่างเดียวล้วนๆท่านจะเข้าฌานสมมาบัติแต่ถ้าท่านเจริญทั้งสมถะวิปัสนาเนี่ยนะสลับกันคือควบคู่กันไปเช่นเจริญสมถะเสร็จเจริญวิปัสนาพอออกจากวิปัสนาก็เข้าสมถะเจริญวิปัสนาอย่างเงี้ยนะสับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆในสมมาบัติชั้นสูงเพื่อประสงค์จะเข้า นิโรธสมาบัติเนี่ยนะนี่นก็ข้อความทั้งสองสูตรที่เครือข่าบดีไปถามนะคุณมุมีจะถามว่ายัางไงมีทั้ง ส, สามสมข้อครับข้อแรกทําไมรูปประรมไม่มีภาษากายคนระับปมทำไมจึงไม่มีภาษากายไม่มีกายภาษาทะนะถามว่าทําไมรูปประพรมจึงไม่มีกายภาษาทะ คือภาษาทะไม่ว่าจะเป็นคานาภาษาทะาชิวหาภาษาธา่ากายภาษาธะเนี่ยนะพรหมไม่มีเลยเพราะว่าประโยชน์จริงๆของสามะาษาทะนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าพูดถึงประโยชน์นะทวารตานะียังมีทัศนา น, ะนุตริยะใช่ไหมยังได้เห็นธาตุยะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทวารหูก็ยังได้สวานานุตริยะยังได้ฟังธรรมนะแต่จมูกเนี่ยเว้นไว้แต่ว่าเจริญกิเลสนี่ไม่รู้จะไว้ทําอะไร ลิ้นก็ไว้สร้างกิเลสอย่างเดียวโพธาภัตวานกายนี่ก็ไว้พอบพูนกิเลสพรหมทั้งหลายเขาสำ ROC ฉันทราคะในวัตถุเหล่านี้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เจริญฌานอยู่แล้วคือไม่มีความกำหนัดในคานะอนะในกล่นในรถในโพธาภัตเนี่ยนะพ่อรายเพราะว่าผู้ที่จะเกิดเป็นพรหมได้ตอนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าปฐมฌานก็ต้องอ่นะสัดจากกามสงังฎจากากุศลธรรมทั้งหลายอ่ะนะบรรลุปฐมฌานที่ประกอบด้วยปีติ สุขเกิดจากวิเวกเนี่ยนะก็ต้องสงัดจากบาปอากุศลเหล่านี้และอย่างข้อที่สําคัญน ะ, ะสามประการนี้ไม่ว่าจะเป็นจมูกลิ้นกายไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยนะเราจะกล่าวไปแล้วนะกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยอาศัยทวารเหล่านี้เกิดมากเนี่ยนะก็อาหารถ้าแค่ดํารงชีวิตนะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ที่มันแพงมากก็คือไอ้ที่มันถูกเลิ้นเนี่ยใช่ไหมเดือดร้อนมาก ผ้าถ้าเอาแค่มาปกปิดให้มันแห่หายอุ่นเฉยๆมันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าแม้กิเลสมันก็สันหน้าดูเลยตอนวัตถุเท่ า, านี้นะเพื่อบริโภค ก, กามอย่างเดียวเนยะพรอมทั้งหลายเขาสำาร c ก, กามได้หมดแล้วข้อสองว่าสองหมอป่าตัดที่ป่าตัด คนไข้เห็นตับไตไส้กรูงทั้งวันนี้จะเป็นการเจริญสุขภาพมาตฐานหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ถามแพทยพยาบาลถามหมอข้างหลังกันแล้วกันคําถ า, ถามต่อไปการทายาฆ่าเจื้อโลคเป็นไปในติบาหรือเปล่ า, าเพราะเชื้อโลคบางอย่างเป็นสัตว์อืมก็ไปถามหมออีกงั่นแหละว่าเขามีเจตนายัางไงหนุนนะครับสา้ อ, อะนะก็ถามคนที่ทําแผลดูว่าเขาคิดยังไงกับแผลนะว่า วันนี้สมควรกับเวลาเลยนะ